นะการทําลัคนูปนิชฌานเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆจะมีเฉพาะตอนที่พระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะเท่านั้นฉังนั้นคนที่ทําลัคนูปนิชฌานได้มีน้อยคนที่ทําอารัมมานูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์เนี่ยมีเยอะมีอยู่ได้เรื่อยๆไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาสอนและมีคุณสมบัติ ของพระอริยเจ้าสี่ประเภทพระอริยเจ้าเนี่ยมีสี่ประเภทคือพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาคาพระอรหันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์เนี่ยไม่สงสัยใช่ั้ยแต่สมาธิเล็กน้อยนี่คือทำลักขณูปนิชฌานได้เล็กน้อยไม่ได้หมายถึงว่าทำฌาน อะไรก็ได้นะหมายถึงลักขณูปนิชฌานปุถุชนอาจจะทำฌาน8ได้เหมือนอย่างอาราระดาบทอุทตกดาบทาราระดาบททำฌานได้เจ็ดอุทธกดาบทได้แปดแต่ฌานที่ท่านทำนั้นเป็นอารัมณูปนิชฌานเพ่งไปในอารมณ์โสดาบันอาจจะไม่ได้ทำฌานอรูปฌานได้เลย แต่ท่านทำลักคนูปนิชฌานไม่ได้เพ่งไปในอารมณ์รู้ตัวสบายๆ น, นี่นะพระสกิทาคาศีลบริบูรณ์<ม>เหมือนกันบริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาบันแล้วมีสมาธิปานกลาง<ม>เริ่มทำทำลัคนูปนิชฌานได้เก่งขึ้นได้ชํานาญขึ้นปัญญาเท่าเดิม <laughs> ปัญญาเท่ากับพระโสดาบันนิดหน่อย ปัญญานิดหน่อยพระอนาคามีศีลบริบูรณ์บริบูบรณ์มาตั้งแต่สอดาบันแล้วสมาธิบริบูรณ์ทําลักคนุปนิชฌานได้ชํานาญนะลัคนุปนิชฌานของท่านเนี่ยชำนาญแล้วแต่ปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางของท่านก็คือปัญญาเบื้องต้นที่พระสอดาบันกับพระสกิทาคาได้ก็คือว่าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราละส ก, กายทิฏฐิได้แล้ว นี่คือปัญญาเล็กน้อยจิ๊บจอยไม่ต้องเสียใจพวกเรายัางไม่มีส่วนพระอนาคามีเนี่ยมีปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางเนี่ยนอกจากจะเห็นว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าแม้จะไม่ใช่เราแต่ก็ยังยังหวงยังอยากได้อะไรที่มาปนเปรอปนเปรลิ้นปนเปร์ตาปนเปรอหูอยากได้อยู่อยากทีไร ท, ทุกทุกทีนี่นะ พระอนาคามีเนะี่ยจะมีปัญญาปานกลางคือเห็นว่าอยากทีไร ท, ทุกทุกทีถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เนะี่ยอยากถ้าไม่ได้จึงจะทุกข์ถ้าได้มาเออดีมีสุขถ้าไม่ได้เป็นทุกข์แต่พระอนาคามีเนะี่ยแค่อยากทุกข์เลยแค่อยากท่านั้นเองก็ทุกละ และส่วนใหญ่ที่อยากมาก็เพื่อปนเปื้อร่างกายนี้ปนเปื้อร่างกายนี้ท่านพอเห็นตรงนี้แล้วไอ้กายนี้จึงไม่ได้เป็นที่ตั้งของของความอยากได้ของความใคร่ความใคร่ในกามทางด้านกายเนี่ยจึงหมดไปนี่เรียกว่าปัญญาปานกลางพระอนาคามีพอได้ขั้นนี้แล้วท่านจึงไม่เสพกามถ้าเป็นคาวาสก็จะถือศีลแปดไม่งั้นก็ออกบวช ส่วนพระอาหารหันต์ท่านไม่ได้บอกว่าอยากเมื่อไร ท, ทุกทุกทีไม่ใช่อย่างนั้นมันทุกข์อยู่แล้วขันห้าทั้งหมดเนี่ยทุกข์อยู่แล้วเป็นทุกข์อยู่แล้วพอเห็นขั้นนี้เนี่ยพอได้พระอาหารหันต์เนี่ยจึงเข้าใจในสิ่งที่พระอริยะเจ้าทั้งสามจำพวกไม่เคยเข้าใจตรงนี้นะพวกเราได้ฟังเฉยเฉยเนี่ยนะมันใช้สมองแต่จิตยังไม่รู้ตอนนี้เราต้องจิตเรียนรู้ของจริงไปก่อน ของจริงคือสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้เป็นอย่างไรไม่ต้องคิดรู้กายรู้ไปเลยกายนี้ตอนนี้เป็นยังไงหายใจอยู่รู้ไปเลยไม่ต้องแต่งด้วยรู้ได้ทันทีจิตมีสภาพรู้อารมณ์กายเป็นอารมณ์ก็รู้ไปเลยรู้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปปั้นแต่งอะไรแต่อยากจะดูมันนา น, านๆก็นั่งให้ท่ามันดีๆหน่อยจะได้นั่งดูได้นานๆแต่ถ้านั่งไม่นานนั่งพับเพียบแล้วตัวเอียงๆเนี่ยนะมันนั่งได้ไม่นาน เกิดเวทนาก็รู้เวทนาเวทนาเกิดขึ้นเกิดความปั่นปวดในจิตกั <c oughs> งวลขึ้นมารู้ทันความกังวลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงโกรธเขาแล้วด่าเขาว่าเขาเลวเขาเลวหรือเปล่ายังไม่แน่แต่ใจเรามีความโกรธแล้วให้รู้ทันความโกรธคนนี้น่ารักน่าก่อจริงๆเลยอยากหอมแก้มแก้มเขาจะหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราอยากหอมแล้วเนี่ยให้รู้ทันราคาที่เกิดขึ้น พร้อมไปแล้วโหหน้ามันมากเลยเช็ดจมูกตัวเองไขมันเขายังติดจมูกอยู่เลยเนียเกิดความรังเกียดรู้ทันความรังเกียตที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นรู้ทันความเสียใจที่เกิดขึ้นกูหลงผิดไปแล้วไม่น่าเลยประานวันนี้หนักไปไหมฮะพอเข้าใจไหมสิ่งที่พวกเราตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าควรจะ ควรจะฝึกให้เกิดขึ้นมาคือตัวลักขณูปนิชฌานเพราะว่ามันไม่ได้เกิดมาฝึกตัวนี้ได้ง่ายๆอารามนูมนิชฌานเนียนะไม่ต้องมาเจอพุทธศาสนาก็ฝึกได้ตอนเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะฝึกตัวนี้และถ้าไม่มีตัวนี้นะไม่เกิดมรรคผลมรรคผลจะเกิดกับฌานที่เรียกว่าเป็นลักขณูปนิชฌานเพราะฉะนั้น คนอื่นๆที่เขาทําฌานได้คนอื่นเขาทำฌานได้ชนานาญด้วยเนี่ยนะชำนาญในการทําฌานแบบอารัมบานมณิชานจึงไม่เกิดมรรคผลหรือศีสมัยก่อนทําได้ก่อนพรุทธเจ้าจะมาตารัสรู้เนี่ยทําได้แต่ไม่เกิดมรรคผลมันก็ย้อนมาตรงที่ไตรภพเคยถามหลวงตาเห็นไหมไตรภพเคยถามหลวงตาว่าถ้าเรารักษาศีลอบรมสมาธิแล้วเนี่ย จะได้ปัญญาไหมหลวงตาเฮ้ออะไรนะถ้าเรารักษาศีลอบรมสมาธิแล้วจะได้ปัญญาโดยอัตโนมัติไหมไม่ได้หลวงตาไม่ได้คนละเรื่องกันปัญญาต้องอบรมอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าสมาธิที่ไต่ภพถามทําสมาธิแบบอารัมมโนปนิชฌานความเข้าใจของไต่ภพคือทําแบบนั้นหลวงตาจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าจะเจริญปัญญาต้องมาเจริญให้รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเสมอตั้งอยู่นานไม่ได้และมันทำงานกับมันเองต้องมองเห็นในแง่นี้จึงเรียกว่าเกิดปัญญาจะมองเห็นในแง่นี้ได้ต้องทำฌานในลักษณะของลักขณูปนิฌานจิตอยู่กับฐานไม่เคลื่อนไปไหนแล้วจึงเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเริ่มเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นแล้วเริ่มเคลื่อนไปนี่ไม่เห็นแล้วนัรู้ตัวสบายๆรู้ว่ากายนี้หายใจไม่ต้องเพ่งจุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องเพ่งจุดใดจุดหนึ่งนะสบายๆเห็นกายหายใจยิ้มด้วยยิ่งดี <laughs> ยิ้มเนี่ยจะทำให้จิตเบิกบานแต่ถ้าฝืนยิ้มก็ไม่ได้นะไ ม, ออไม่ออกไม่ออก แต่ยงงี้ได้ใช่ไหมย่างงี้ได้ไ ม, <c ười> <laughs> ไม่เคร่งเครียดนะทำกรรมฐานที่จะไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยนะต้องง่ายต้องง่ายนะไม่เครียดสบายสงบแต่สบายสงบแต่ร่าเริงสบายไม่เครียดถ้าบอกกับตัวเองว่ายาก ใจจะฝ a l รู้สึกไหมยากพูดคํานี้ขึ้นมานะยากพูดสิพูดสิพูดในใจยากแล้วใจมันจะฝ a l เหนื่อยเหนื่อยไหมถ้าเป็นตามเวทีเหนื่อยไหมต้นตอะหงไม่เหนื่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าบอกว่าเหนื่อยแล้วใจจะฝ a l เครียดไหมเครียดเครียดนะใจก็ใจจะหุบใจมันจะหุบจะเขมงเขมงเข้ามา มันขแมแข็งและขมวด <laughs> มีอีกคำหนึ่งไม่อยากบอกขมิบ <laughs> มันไม่ค่อยดีคำของพวกนี้นะมันไม่เบิกบานมันขแมแข็งขมวดถ้าบอกว่าขี้เกียจขี้เกียจทําใจก็จะเกิดอกุศลเกิดขึ้นข้างในทอถอยพอบอกขี้เกียจนะจะมี นิวรตัวหนึ่งแทรกเข้ามาเลยหดหูท้อถอยขี้เกียจเบือบ่อเบื่อพูดคําว่าเบือบ่อเนเบือ่อเบื่ออกุศลเกิดเลยเบือ่อขี้เกียจเซ็งเปลี่ยนไหมนะรู้ทันรู้ทันความห่วยของเราเองนะรู้ทันความห่วยในใจเรานะพอรู้ทันปุ๊บเท่านั้นเองเบิกบานเลย จิตที่เบิกบานนี่มันเหมือนดอกไม้บานจริงๆนะมันบานมันคลี่คลายตัวตอนดอกไม้หัวนมันจะมันจะอะไรขมวดขมแงมันมันรวบเข้ามาพอเบอิกบานนีมันเบิกบานพร้อมรับเหมือนเป็นภาชนะพร้อมรับสิ่งที่ประเสริฐใจเบิกบานนี่มันจะคลายตัวจะคลี่คลายออกมาถ้าตั้งใจจะทำอะไรนะแล้วมันเครียดเกินไป ใจมันจะรวบเข้ามาแต่รู้สึกไหมคิดจะทําคิดจะปฏิบัตินะจะดูลมและวฉันจะดูลมจะเครียดใจจะรวบเข้ามาไม่เบิกบานยิ้มสักทีหนึ่งสดใสเบิกบานใจก็จะเบิกบานขึ้นมานั้นกรรมฐานต้องไม่เครียดไม่ยากแต่อยากขี้เกียจให้มีสติมีความรู้ตัวบ่อยๆมันจะ ถ้าเราไม่เครียดแต่ว่าปล่อยเผลเกินไปไม่รู้ตัวนะจะกลายเป็นพวกพักถ้าเคร่งเครียดเกินไปจะกลายเป็นพวกเพียนไม่ได้ไม่ตรงทางเลยนะพักบ้างเพียนบ้างแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยไม่ตรงทางรู้ตัวสบายๆไม่เครียดแต่ไม่เพล่ <laughs> แรกๆอาจจะทำได้หรือแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายาก พอ ร, รู้ตัวว่ายากเกิด อ, อะไรขึ้นในใจให้รู้ทันใจมันจะไม่เบิกบานให้รู้ทันความไม่เบิกบานที่เกิดขึ้นในใจใจมันจะรวบขึ้นมาไม่ผ่อนคลายไม่เบิกบานจิตที่เหมาะสมจะต้องเป็นจิตที่คล่องแคล่วเบิกบานสดใสเหมาะควรแกการงานไม่แข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปเนี่ยมัน ของแข็งเนี่ยให้ตัวไม่ได้เขาว่ารู้จักให้ตัวไหมคือมันจะปั้นแต่งหรือว่าจะบิดเบี้ยวอะไรบิดเบี้ยวแล้วแตกเลยอยงแก้วเนี่ยถ้าทำให้มันเปลี่ยนทรงปุ๊บเนี่ย น, นะแตกเลยเพราะมันแข็งเกินไปใจเราเนี่ยนะถ้าถ้าทให้แข็งเกินไปนะจะเปราะง่ายแตกง่ายแต่ถ้าเราให้มันรู้ตัวสบายๆบยนียนะ มันเหมาะควรแกการงานโยมพ่อตมาเนี่ยนะเคยอยู่วันหนึ่งเรียกเรียกตมาไปตอนนั้นเป็นเด็กนะยังไม่บวชพระกิดๆมานนี่เดี๋ยวทำให้ใหดูแล้วก็พ่อจะสอนอะไรว่าพ่อก็หยิบแก้วมานี่นะเดี๋ยวพ่อจะทำแก้วนี้จะบีบแก้วนี้ จีบีบแก้วนี้ให้ปากเบี้ยวแลวโดยที่แก้วไม่แตกแล้วก็ดูพ่อก็เรียบร้อยเราก็ไม่เห็นมันเบี้ยวเลยพ่อแก้วไม่เห็นไม่เห็นเบี้ยวเลยเบี้ยวแล้วเมื่อกี้เบี้ยวแล้วไม่เห็นไม่เบี้ยวมันยังเหมือนเดิมเลยดูดีๆจริง อ, อ, อืม ไม่เห็นมันเบี้ยวเลยพ่อแล้วก็ดูแต่อันี่นะตอนหลังเนี้ยพ่อก็เบี้ยวแล้วเนี่ยเบี้ยวแล้วเนี่ยทำเสียงอย่างเี้นะเบี้ยวแล้วเนี่ยเบี้ยวแล้วเราถึงจะเห็นอ๋อเสียงพ่อเปลี่ยนแสดงอ๋อปากพ่อเบี้ยวแต่แก้วไม่แตกแสดงว่าปากเนี่ยเหมาะคนรแกการงานปากแก้วเนี้ยไม่เหมาะคนกแกการงานปากเนี้ยเบี้ยวได้แล้วไม่แตกแต่เล่นได้กับลูกนะ <laughs> ไป่เล่นกคนอื่นเด้อ พี่ปู่ผมอายุร้อยปีเข้าใจไหมจิตเราเนี่ยต้องให้มันมันเคลื่อนไหวได้อย่าไปทําให้มันเก็งอย่าทำให้มันแข็งมันเบี้ยวได้นะเบี้ยวได้ให้รู้ทันความเบี้ยวของมันด้วยโอเคไหมสงสัยอะไรไหมวันนี้มีเล่นกลเลยนะพ่อพ่อก็พ่อจะเล่นกลให้ดูแล้วก็ดูกลเนี่ยนะ หลักการของกนคือหลอกให้ไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาให้ไปสนใจสิ่งหนึ่งแล้วตัวเองนะไปเล่นอย่างอื่น mm hmm. เราก็ถูกหลอกนะเราถูกหลอกให้ไปสนใจข้างนอกลืมดูข้างใน是是เหมือนให้ดูแก้วอ่ะให้ดูปากแก้วไม่เห็นมันเบี้ยวเลยที่ไหนได้มันเบี้ยวอีกที่หนึ่งจิตเนี้ยถูกหลอกให้ไปสนใจข้างนอกเหมือนโลกนี้เล่นกนกับเรา แล้วเราก็ถูกโลกเนี้หลอกไปเรื่อยๆจับมันไม่ได้สักทีจับกล น, นี้ไม่ได้สักทีพอมีพระพุทธเจ้าเฉลยกลนแล้วเนี่ยนะเราก็ยังมองไม่ออกเพราะถูกหลอกอยู่พระเจ้าบอกว่ามองเข้ามาข้างในดูที่ใจนี่ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะโลกนี้เล่นกลหลอกเราไม่ได้พอเล่นกลหลอกเราไม่ได้เนี่ยนะจะเกิดน้อยลง <c oughs> เกิดน้อยลงที่ยังเกิดอยู่เนี่ยยังถูกมันหลอกอยู่นะ ยังรู้ทันมันไม่หมดรู้ทันมันไม่หมดรู้ทันได้บางตอนบางช่วงแต่ว่าอีกไม่นานอีกไม่นานไอ้นักเล่นกล น, นี้ก็จะหลอกเราไม่ได้ละตอนนี้เราพยายามจับผิดนักเล่นกลและไอ้นักเล่นกลนั้นไม่ใช่ใครหรอกใจเราเลยแหละใจเรานี่แต่ม to ันหลอกเราหลอกให้เราไปสนใจข้างนอกจึงมองไม่ออกว่ามันกําลังเล่นกลอยู่เข้าใจไหมอย่าให้มันหลอกนานนะอย่าให้มันหลอกนาน หันมาดูที่มันจริงๆแล้วเนี่ยมันกำลังแสดงอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ข้างนอกมันแสดงอยู่ข้างในโอเคไหมพระอาจารย์ฮะกราบเรียนถามข้อหนึ่งฮะคือประดีอยากอายุยืนถึงร้อยปีนะคะแล้วก <laughs> ็ทีนี้พ่อเออยอย่าไปคุยกับเด็กในห้าง <laughs> พระดีเจอพระฮะเจอพระ <laughs> ทีนี้มีพระสองลูปที่เซนเป็นเก้า นะคะเซนท่านเป็น9ก้าไม่เรียกเซนเป็นเพราะเดี๋ยวเซนเป็นมันจะมีห้างหนึ่งขึ้นมาไม่รู้จักหรอกเซนท่านป็น9้านี่มีพระสองรูปปรากฏว่ารูปแรกเนี่ยแบบว่าตัวใหญ่มากเหมือนเณนะคะแต่วิ่งเข้าไปเป็นพระจริงๆใช่ไหมเป็นพระพระภิกษุใช่ไหมเป็นพระจริงจริงค่ะแล้วก็แต่งจีวรอะไรนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปเล่นตู้เกมกับพระอีกรูปหนึ่งอยู่กับพวกวัยรุ่นแต่นี่เป็นพระเลยนะคะไม่ใช่เณแล้วก็เล่นเกมจากมือถือ กับพวกทีนี้เราอยากเตือนแบบว่าให้พระท่านรู้ตัวแล้วมีสติทันทีโดยที่ว่าไม่ให้ท่านขยายน้าโอ้คือมีมีสองแบบเนี่ยฮะอืไม่ทราบว่าแล้วเราก็ไม่อย่างยุ่งมากแบบเหมือนเขา <c oughs> เขาอยู่กับวัยรุ่นไงเพราะเรายังอยากอายุดูสถานการณ์อ <c oughs> เอาลวกันดูสถานการณ์เอาเลยถามเทคนิคไงฮะขอบคุณบางทีแค่ว่ายท่านเฉย ถ้าท่านระลึกได้เนี่ยถ้าท่านเป็นพระที่ไยดีจริงนะท่านจะละอายละอายใจเหมือนอย่างสมเด็จโตสมเด็จโตเห็นพระเล่นหวยหรือพระเล่นตะก้อพระเล่นตะก้อกอยู่ที่ลานวัดท่านเดินผ่านมาเ้านั่งยองๆสาธุไหว้พระที่เล่นตะก้อกันอยู่พระท่าตกใจโว้สมเด็จมาไหว้เราแสดงว่า เราเนี่ยทำอะไรที่ไม่ดีจริงๆท่านจึงลงมาถึงขนาดนี้ไหว้แค่ว้ท่านถ้าท่านเป็นพระที่รักดีจริงท่านจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกับการไหว้นั้นของโยมเลยจะละอายแก่ใจตัวเองเราไม่ต้องไปพูดอะไรให้ให้สร้างศัตรูก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวท่านจะโยมปู่อัตมาร้อยปี <laughs> การเตือนคนอื่นต้องมีเทคนิคมันกันนะต้องมีศิละปะต้องดูสถานการณ์จะทอยังไงเตือนคนที่ที่คุ้นเคยกันแบบหนึง่งเตือนคนที่ไม่รู้จักกันอีกแบบหนึง่งเตือนคนที่ต่ำกว่าเตือนคนที่สูงกว่าต้องดูสถานการณ์มันไม่มีไม่มีคำตอบสำเร็จรูปว่าควรเตือนด้วยคาไหนควรเตือนแบบไหน ดูซิว่าไม่ทำร้ายจิตใจกันแต่เป็นการเตือนสติอย่างเงี้ยจะได้ผลดีการแสดงของเราออกไปแล้วทำให้เขาคิดได้เองเนี่ยยิ่งดีโดยที่ไม่ต้องมีวาจาไปเชื่อเชือนไม่ได้ชนะด้วยคำเชื่อเชือ่อบางทีเราอาจจะคิดว่าจะใช้คำยังไงที่ทิ่มแทงเข้าไปให้เขาเจ็บให้เขารู้สึกตัว งทีคำนั้นถ้าพูดไปก็กลายเป็นสร้างศัตรูอันนี้ต้องไปลองดูลองดูเทคนิคของตัวเองสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เปลี่ยนวันไปก็อาจจะอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้ลองดูต้องดูเคสตัวอย่างจากครูบาอาจารย์ไปอ่านหนังสือหรือว่า ฟังสิ่งที่ท่านเล่าอะไรเงี้นะเราจะได้เก็บข้อมูลตัวอย่างแล้วเอามาปรับใช้เวลาเจอสถานการณ์จริงๆอย่างหนึ่งคือไม่สร้างศัตรูหลักการคือไม่สร้างศัตรูบางครั้งเนี่ยอาจจะคล้อยตามก่อนพระเจ้าบางทีก็เวลาโจรมาอืมดีเป็นโจรก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าโจรดีให้มีอาชีพโจรได้ยืนยาวนะอย่าไปฆ่าเขา เวลาปล้นทรัพย์ไปเนี่ยนะอย่าเอาอย่าเอาหมดคอยตามนะไม่ได้บอกว่าแกเป็นโจรไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นโจรเหรอเออถ้าเป็นโจรควเป็นโจรให้ดีนะโจรที่ดีก็มีนะโจรที่ดีก็คือว่าเวลาปล้นทรัพย์เขาเนี่ยอย่าไปฆ่าเจ้าทรัพย์อย่าไปขู่ตะคอกเขาอย่าทำให้เขาเกิดอกุศลในใจเวลาเอาทรัพย์มาเนี่ยก็แบ่งแบ่งมา ให้เขามีได้หากินให้เราได้มาปนต่อในภายหน้าอย่าเอาให้เขาหมดตัวนะเหลือใบประทวนให้เขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> ใบประทวนมันเอาไว้ได้เะล <c oughs> ่าอย่างนี้ยังเป็นโจรที่ดียังปล้อนอยู่ได้นานแต่เอาหมดเลยเนี่ยมันเขาจะฆ่าตัวตายแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปปนเขาอีกโจรฟังแล้ว ถ้ากูจะเป็นโจรที่ดีได้ยังไงวะงั้นไม่เอาเป็นโจรที่ดีไม่ได้ไม่เอาเป็นคนดีดีกว่าบางทีโจร น, นั้นก็ขอบวชเลยคอยตามไปคุยกับนางโสเพณีบอกโสเพณีจำเป็นก็โอเคแต่เป็นโสเพณีที่ดีก็จะได้ไม่สร้างบาปเอาสวนกับตัวเองถามมาก่อนนะมีเมียหรือยังถ้าเขาไม่มีเมีย จึงจะรับบริการเพราะแม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการทําผิดศินข้อสามโสภณีก็ผู้ชายมาทีไรก็บอกไม่มีเมียทุกทีเมียมีเมียพี่ก็มานี่เมียไม่มาเพราะเมียไม่มีไม่ได้เลยพวกที่มามาใช้บริการเนี่ยมันไม่พูดจริงสักคนเราเป็นโสภณีที่ดีไม่ได้ไม่เป็ดีกว่าบวชภิกษุณีคือคล้อยตามก่อน แล้วก็ให้เหตุผลไม่หักล้างทีเดียวนี่เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคล้อยตามแล้วให้เหตุผลไม่หักล้างไม่ไม่อะไรไม่ใช้อํานาจของความเป็นพระพุทธเจ้าไปด่าเขาหรือใช้ความเป็นเจ้าวาดฉันเป็นพระเถระนะ ต้องเชื่อฉันอะไรเ ไ, ไม่ไม่ใช่ครอยตามไปก่อนแล้วก็ให้ผลให้ผล <c oughs> มีปัญหาเอ้ยมีเรียกอะไรคาถามอะไรไหม <c oughs> ต้องบอกมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันเหมือนแบบนักเลงเ น, นี่ยวันเนี้ยตั้งแต่มาปุบ๊บไม่ว่าจะยิ้มหรือหัวเราะไม่ทันเลยครับไม่ทันจิตตัวเองดูยังไงครับเนี่ยทํามาสองอาทิตย์แล้วยังไม่ทันเลย แล้วก็เราจะวัดยังไงว่าเราพัฒนาไปแล้วหรือว่าเรายังไม่พัฒนาหรือว่าเราหลงไปแล้วดูว่าในรอบวันเนี่ยเรารู้ตัวกี่ครั้งเช้าขึ้นมารู้ตัวไหมตื่นขึ้นมาเห็นกายก็ได้เห็นใจก็ได้ใจตอนเช้าเป็นยังไงตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมายังไม่ลุกจากเตียงเนี่ยใจเป็นยังไงเข้าห้องน้ำแล้วใจเป็นยังไง ไปนั่งแล้วถ่ายไม่ออกกังวลเครียดกลัวไปทํางานไม่ทันอะไรเงี้ยนะถ้าถ่ายได้รู้สึกโล่งใจสบายใจจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะแต่งตัวก็รีบรีบเร่งมีความเคร่งเครียดในใจก็รู้ทันความเคร่งเครียดในใจอไปรถเมลหรือว่ารถส่วนตัวไปทํางานเนะี่ยไปทําด้วยรถเมลหรือรถส่วนตัวเมย์ครับรถเมลมารอรถเมลรถไม่มามีความ เครียดหรือความอะไรอะกังวลรู้ทันความกังวลรถเมมาแต่ว่ามันห้อยโหนมาเต็มเลยรู้สึกว่าไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบมีทุกข์เกิดขึ้นทางกายโหนรถเมแล้วเกิดทุกข์ทางกายรู้ทันความความทุกข์เวทนาทางกายที่จะรู้ได้เนยนะรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้กิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้อะไรก็ได้แล้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลง ความสบายใจเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับสุขใจเดี๋ยวก็ดับทุกข์ใจเดี๋ยวก็ดับความคิดดีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับกังวลเดี๋ยวก็ดับดีใจเดี๋ยวก็ดับแต่ต้องรู้ตัวมีความรู้ตัวเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจริงๆแล้วมันเกิดดับอยู่เสมออยู่แล้วเพียงแต่เราทําความรู้ตัวมันเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราจะไปรู้ตัวให้เห็นตรงนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยต้องเป็นความรู้ ที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาตอนรู้เนี่ยไม่คิดเลยกําลังที่กําลังมีความโกรธอยู่เนี่ยนะไม่ต้องคิดเลยรู้ทันว่าเมื่อกี้นี่โกรธเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าโกรธหนอไม่ต้องเผลอไปแล้วให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มันเผลอไปจากจากความรู้ตัวเราเปความรู้ตัวอยู่เนี่ยนะแล้วมันเผลอไปให้รู้ทันว่ามีความเผลอเกิดขึ้นตอนรู้ว่าเผลอรู้ตัวอีกพอดี ตอนนี้มันจะเกิดเกิดการเรียนในใจจิตเราจะเริ่มมีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาแทนที่จะไปรู้ข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเริ่มรู้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในใจจิตใจของเรามันจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีการเกิดดับจริงๆทุกเกิดขึ้นมาก็ดับโกรธเกิดขึ้นมาพอรู้ตัวก็ดับจิตเนี่ยนะันจะมีธรรมชาติของมันคือรู้อารมณ์ จิตเกิดข <an> ึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทํางานก็มันอยู่แล้วเพียงแต่เรามาเรียนมาเรียนเรียนเนี่ยคือมาเรียนรู้สิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆอย่างที่บอกว่าโลกเราเนี่ยหลอกให้ไปเรียนข้างนอกเหมือนนักเล่นกลที่หลอกให้เราไปดูข้างนอกเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกลต่างๆมันอยู่ในใจเราใจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการเกิดดับแต่เรา จะไม่ได้เรียนรู้ตัวนี้เลยเพราะเราโมวแต่เรียงข้างนอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุที่จิตดูงหนึ่งเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปสิ่งนี้เนี่ยออกจากปากพระไปเนี่นะโยมยังไม่เชื่อหรือถ้าเ ช, เชื่อก็เชื่อด้วยสมองไม่ได้เชื่อด้วยจิตจิตจะเชื่อได้ต่อเมื่อหันมาดูหันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตจริงๆจิตเมื่อกี้นี่ไปมองคนนั้นแล้วเกิดโทสะดับไป จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมามองคนนั้นอีกเกิดโทสะดับไปตอนนี้ยังไม่มีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นเลยเพราะจิตไปรู้ข้างนอกยังไม่รู้ตัวเองเลยพะจิตดวงนี้ไปเกิดเห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดโทสะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปเห็นหน้าคนนั้นเหลียวมาดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดวงเมื่อกี้นี้นี่คือการเรียนเรื่องจิตแต่อศัยที่ว่ามันเกิดกิเลสแล้วมาดูว่า เมื่อกี้นี้เกิดกิเลสะไรกับจิตอย่างนี้นะตอนนี้มีการเรียนเกิดขึ้นจริงๆการเรียนอย่างนี้เรียกว่ากำลังเจริญสติดูจิตอย่างนี้นะเห็นครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าเพิ่งได้ข้อมูลแว บ, บเดียวข้อมูลแว บ, บเดียวไม่สามารถหักล้างความโง่ที่สะสมเอาไว้ได้ความโง่คือเรียนรู้ข้างนอกเนี่ยนะถูกหลอกเนี่ยถูกนักเล่นกลอันนี้หลอกเอาไว้เนี่ย มันไม่สามารถถักล้างความโง่เก่าๆได้ต้องให้ข้อมูลมันมากๆถามว่ามากแค่ไหนตอบไม่ได้จนกว่าจะพอจนกว่าจิตนี้จะพยักหน้าของมันเองว่าเออจริงไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเราถึงจะพยักหน้าพยักหน้าตามสมองสมองเนี่ยจำได้เชื่อได้ท่องได้แต่จิตยังไม่เชื่อ เราอาจจะเคยได้ยินอย่างนี้มานับชาติไม่ทั่วแล้วก็ได้แต่ยังไม่เคยเจริญสติมันจึงยังต้องมาเกิดอีกตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาดูของจริงของจริงคือจิตที่เกิดขึ้นเมื่อกี้จริงๆจิตเมื่อกี้เนี้ยเกิดไปแล้วไหลไปแล้วและเกิดกิเลสแล้วด้วยและธรรมดาของมันคือมันจะต้องดับจิตปกติเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เกิดกิเลสแล้วก็ดับเป็นเหตุให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เกิดกิเลสแล้วก็ดับนี่นะ แต่จิตดวงเนี้ยแทนที่จะไปรู้อารมณ์หันมาดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นทําจิตแบบเนี้บ่อยๆจิตแบบนี้เรียกว่ามีสติพอจิตมีสติอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นว่าเมื่อกี้นี้มีโทสะแล้วก็ดับไปจิตดวงนี้เองก็ดับด้วยแล้วก็เกิดจิตดวงใหม่เผลออีกก็เรียนรู้อีกเรียนรู้อย่างนี้นนะไม่ได้รู้โลกน้อยลง ไม่ได้รู้โลกน้อยลงเพราะว่าเวลาเรียนรู้โลกเนี่ยก็ยังมีเกือบเท่าเดิมแต่จะมีเรียนรู้จิตเนี่ยทีละแวบบทีละแวบบทีลแวบบไม่ทำให้รู้โลกน้อยลงเลยเข้าใจหมเหมือนเราอยู่บ้านมาตลอดสิบปีเราออกไปดูบ้านจิตสบายวันหนึ่งเนี่ยไม่ทำให้ความรู้ในบ้านเราน้อยลงแต่เรารู้เพิ่มขึ้นว่าบ้านจิตสบายเป็นยังไง บ้านเราก็ยังจําได้ว่าส้วมอยู่ที่ไหนครัวอยู่ตรงไหนจานเก็บที่ไหนเหมือนเดิมจิตเนี่ยเรียนรู้ข้างนอกก็เรียนรู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไงต้นไม้เป็นยังไงคนนี้ชื่ออะไรไม่ลืมหรอกแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นคือมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตสิ่งนี้จิตไม่เคยเห็นจิตจะเห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่พัดลมเห็นแต่กล้องถ่ายรูปเห็นแต่เสือเห็นอาสนะไม่เคยเห็นว่า โทสะเป็นยังไงจะนึกถึงโทสะทีต้องนึกถึงว่าเมื่อเช้านี้เราโกรธรถคันนั้นเมื่อวานนี้เราโกรธเจ้านายเมื่อวานซืนนี้เราโกรธลูกน้องต้องนึกเอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นึกเอาตอนนั้นไม่โกรธ <c oughs> สมมติว่าอนนี้นะเรานึกถึงเจ้านายแล้วเราโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนนี้ดับแล้วแต่ถ้านึกถึงอีกแล้วโกรธอีก ตอนนี้เป็นความโกรธที่เกิดขึ้นใหม่ให้รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่นึกเอาตอนรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นนี่นึกไม่ทันนึกไม่ทันได้แต่มองดูมองดูเห็นแล้วขณะที่เห็นเนี่ยเรียกว่ามีสติแล้วจิตที่กำลังมีสติอยู่เนี่ยก็ดับด้วยเป็นเหตุให้จิตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเพออีกหรืออาจจะมาบรรยายไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มีสติใหม่ๆพอจิตดวงนี้มีสติรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นนะีนะจิตดวงต่อมาเนี่ยมักจะตามบรรยายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เฮ้ยดีจังเลยรประมาณนี้ดีใจดีใจ <c oughs> อุตตะ <c oughs> อย่างนี้ก็มีในโลกเลยประมาณนี้พ <c oughs> <c oughs> อเข้าใจไหมงานของโยมก็คือฝึกเหลียวมาดูจิต ที่เกิดขึ้นเมื ні, ่อกี้นี้เมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันแทบจะเป็นปัจจุบันเลยเพราะจิตเกิดดับเร็วมากเวลาดูก็คือดูลงเดี๋ยวนี้แหละวิธีทาคือดูเดืยนนี้เลยไม่ใช่เหลียวไปดูอีก5านาทีเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนเกิดขึ้นตอนนี้ตรงนี้เลยเวลาโกรธเวลาโกรธเนี่ยนะเราก็ถูกนักเล่นกลเนี่ยหลอกให้ไป มุ่งไปหาไอ้คนนั้นลืมดูว่าใจที่โกรธเป็นยังไงดูแต่ว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีเราจึงจับกลนอันนี้ไม่ได้สักที <c oughs> เวลารักก็ดูแต่เขาน่ารักไม่เห็นราคะที่เกิดขึ้นในใจสักที <c oughs> เห็นแต่เขาหน้ารักและถูกหลอกทุกที <c oughs> แต่ก็มีนะที่เขารักกันจริงๆก็มีนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเรามุ่งหวังสนองราคะเราไม่ได้ถูกข้หลอกหรอกถูกราคะมันหลอกถูกจิตที่ปรุงราคะขึ้นมาหลอกอีกทีนึงเหมือนเป็นจิตที่น่าสงสารจิตดวงเนี้ยปรุงกิเลสขึ้นมานะแล้วก็ถูกกิเลสเนี่ยครอบงําหลอกเอาครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนแมงมุมโง่โ ง, ง่ชักใยมามัดตัวเอง นั่งสงสารจริงนะจิตเราเนี่ยนั่งสงสารปรุงแต่งกลมายาหลอกตัวเองไม่มีใครหลอกโลกนี้ไม่ได้หลอกต้นไม้ไม่ได้หลอกเราสารานี้ไม่ได้หลอกเราจิตเนี่ยปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองมันผิดไหมที่เขาสวยผิดไหมที่น่าเดชหล่อผิดไหมที่พิติ๊หล่อไม่ไม่ผิดหรอก เขาก็มีหน้าต่างของกันแหละหน้าที่ของเขาคือทำหล่อแต่หน้าที่ของเราต้องรู้จิตตัวเองใช่ไหมผิดไหมเดี๋ยวนี้นางเอกคนไหนอะผิดไหมที่คนนี้เขาเซ็กซี่ไม่ไม่ผิดหรอกจิตเราเนี่ยปรุงราคาขึ้นมาน่ะผิดเองเห็นไหมโอ้เดี่ยจะหมดเวลาแล้วล่ะอ้าว หมดเวลาก็ขำเอยไม่เข้าใจเลยเวลาโกรธให้รู้ทันหน่อยนะรู้ทันจิตตัวเองเวลารักก็รู้ทันจิตตัวเอ ง, เตตเองไม่ใช่จะท้าดวลหรือจะไฟหรือจะไฟเดียวนี้มีสาบแปลกๆนะต้องอาศัยคนมาช่วยสอนนะเข้าใจไหมหรือจะไฟเนี่ยรุ่นนี้รุ่นแบบอะไรรวมดาวสาวสยาม รุ่นนี้หรือจะไฟเนี่ยเขสอนนะเขาสอนมาบอกว่าไฟเนี่ยมาจากคำว่าไฟภาษาอังกฤษหรือจะไฟคือหรือเราจะสู้กัน <laughs> แต่ต้องพูดกับคนที่คุณเคยว่าแค่หยอกๆยอกถ้าไปพูดกับคนไม่คุ้นเคยก็ปู่ผมอายุร้อยปี <laughs> มีประโยชน์ไหมเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าอาตมาจะป้องป้อ ง, ป, องปากแบบรีเกอกหน่อยจะ ก, กังวลอยู่เรื่อยๆนะว่าเราจะเอาอะไรมาพูดว่าทุกเดือนทุกเดือนทุกทีเลยนะเราจะ อ, าอะไรมาพูดว่าทุกเดือนเดืนแต่ดูนาฬิกาแล้วกูเกินชั่วโมงทุกทีเลยก็ <laughs> <c oughs> เลยสงสัยว่าไอสาระมันมีบ้างหรือเปล่านึไม่แน่ใจ <laughs> มีบุญแล้วแบ่งบุญให้กับหมู่ญาติของเราเบื้องต้นนำบุญที่เราทําให้เกิดขึ้นแล้วด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการมาเจริญภาวนาทำวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนามาเรียนรู้คำสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เส้นทางความดับทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทาแล้วจริงๆตอนนี้ บูชาแด่พระรัตนตรัยเราได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างนี้เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเส้นทางนั้นไว้เส้นทางนั้นเรียกว่าพระธรรมผู้ที่รักษาสืบทอดคําสอนผู้เดินตามเส้นทางนั้นรักษาเส้นทางนี้ไว้จนถึงขณะนี้เวลานี้ คำแสดงคําชี้แจงเส้นทางนั้นยังคงอยู่ผู้เดินยังมีอยู่ผู้เดินนั้นยังบอกต่อด้วยขอบูชาประสงค์ผู้เดินอยู่ในเส้นทางและรักษาคําสอนงพุทธองค์มาให้พวกเรานําเอาคุณความดีเป็นบุญกุศลอันนี้บูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็บูชาผู้มีพระคุณในชีวิตของเราผู้มีพระคุณในชีวิตของเรา ที่ลืมไม่ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้กำเนิดเรามาชีวิตมนุษย์ชาตินี้สำคัญที่สุดเพราะเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาชาติอื่นเกิดมายังไม่เคยได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้มันเห็นผลขึ้นมาจริงเราอาศัยกายนี้ใจนี้ได้มารับรู้ได้เป็นภาชนะรองรับคำสอนของพระพุทธองค์ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ให้กาเนิดเรามาเลี้ยงดูเรามา ขออธิบุญกุศลที่ได้ใช้กายในี้ใจนี้มาทำบุญครั้งนี้ให้กับผู้ให้กาเนิดของเราคือคุณพ่อคุณแม่อยู่ในแผ่นดินที่มีพระราชาผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐหาพระราชาที่อื่นเสมอด้วยไม่ได้เราเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับพระองค์ ได้เห็นพระราชาผู้ทรงคุนผู้ทรงธรรมขออุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นาศาสนูปธรรมพกผู้ดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับพระสกนิกรผู้ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในพระชนชีพของพระองค์เพื่อประชาชนในแผ่นดินของพระองค์เราเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากการบำเพ็ญบุญของท่านจากการบำเพ็ญบารมีของท่านได้รับประโยชน์นั้นแล้วใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้เป็นผลอย่างยิ่งแล้วข อ, อนอาอุเบกุศสนั้นสนองพระคุณท่านอุทิศถวายท่านบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็ น, ปนพระละวัปัจใจส่งเสริมให้พระองค์มีพระพรานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพร่มไส แก่ประสงคนิกรชาวไทยตลอดกาลนานประคุณของบุคคลต่างๆที่เกื้อหนุนชีวิตของเราก็มีอีกมากมายญาติของเราปู่ย่าตายายเพื่อนญาติสนิทมิสหายครูบาอาจารย์เจ้านายลูกน้องคนอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเราผู้ร่วมงานของเรา ต่างคนต่างก็ได้อาศัยเกือ้อกูลบุคคลมากมายชีวิตนี้มาถึงตรงนี้ได้ก็ได้อาศัยความเกือ้อกูลของบุคคลมากมายเราได้ใช้ชีวิตที่ได้ผ่านการเกือ้อกูลของท่านเหล่านั้นจนถึงได้มาเรียนรู้คำสอนพุทธองค์ขณะนี้เวลานี้ขอบุญกุศลจงกลับสู่ผู้มีพระคุณของเราผู้ได้เกือ้อกูลเรา ขอบุญที่ท่านได้ทําได้เกื้อกูลอุดหนุนเรามาจงอย่าเปล่าประโยชน์ขอให้บุญกุศลนี้สนองแล้วก็ให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขจงมีอายุยืนนานถ้าท่านสิ้นชีวิตไปแล้วขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วขอให้ท่านจงมีจิตโสมนัติปลื้มใจปิติใจ ที่ผ่านมานอกจากจะมีคนสนับสนุนก็ยังมีคนที่เราเคยล่วงเกินความล่วงเกินด้วยความประมาทพลาดพลัง้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจความผิดพลาดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วได้ล่วงเกินท่านไปแล้วขอให้บุญกุศลครั้งนี้จงเป็นเครื่องทดแทนความผิดพลาดขอให ท่านทั้งหลายจงรับรู้ว่าเราสำนึกผิดขอให้คุณความดีที่เราได้ทำแล้วนี้เป็นเครื่องทดแทนขอให้ท่านจงมีใจยินดีในความดีที่เราอุทิศให้ถ้ามีความแค้นเคืองกันขอให้งดซึ่งความแค้นเคืองถ้ามีความพยาบาทต่อกันขอให้งดซึ่งความพยาบาท น, นั้นเราแม้เคยทำผิดขอสำนึกผิดอ น, นั้น ขอขามาด้วยความดีที่อุทิศให้นี้อุทิศให้กับเทพพ ย, ยดาทั้งหลายที่ปกปรักรักษาพวกเราอยู่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปรักรักษาประเทศชาตินี้อยู่ก็ดีขอให้เทพยายดาทั้งหลายเหล่านั้นจงมีกาลังขอให้ท่านมีกําลังในการปกปรักรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมให้ธรรมะได้มีโอกาสได้มา ทำให้แผ่นดินนี้ร่มเย็นอุทิศให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่จงรับรู้ในส่วนบุญสุขสงสารที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้กับพวกท่านรับรู้แล้วจงอนโมทนามีปลื้มใจปีติใจเหมือนได้ทำเองเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูไปสู่สุกติอย่าได้อะไรเอาบอลกับสิ่งที่ไม่ดี นึกถึงกับสัตว์รทั้งหลายสัตว์ใดมีสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปล้นึกกลับมาที่ตัวเองว่าเราก็จะตั้งใจที่จะศึกษาในถ้อยคำของพระพุทธองค์นำเอาคำสองพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการดำรงชีพเพื่อถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะตั้งใจอย่างนี้แล้วก็เดีย๋ยวรับพรอีกที ยาทะาบริบาปุราปริโพเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ชนใดเอวเมวไวโตที่นังเปตานังอุปกรัรปติทานทิ่ทานุติให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จ ป, ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วชนนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิตประเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยชบพลันสัพเ พ, พปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกินดี ประวัตุสัพพังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสง์ สทาสดทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ